พระธรรมเทศนาแผ่นที่68ดลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่19ธันวาคม2557หมีชื่อเรื่องว่าอานิสงฆ์แห่งทาน คณะทศไทยญาติโยมลูกหลานวันนี้หลวงพ่อจะปารบเรื่องราวที่พวกเราควรจะทราบให้ฟังและก็คงจะมีอเอ3สาหลวงพ่ออยากจะให้ลองลองเปิดสิว่าเอ3สาหลวงพ่ออัจเสเทพอัจเสแผ่นนั่นเสียงเป็นยังไงเนื้อหาสาระเป็นยังไง แต่หลวงพ่อได้ดูแล้วว่าก่อนที่จะเดินทางไกลเราควรจะเตรียมสเสบียงเดินทางนะหัวข้อนะหัวข้อแนวความคิดเตรียมยังไงเตรียมจ ะ, ะเสบียงเดินทางนะวันนี้เป็นวันที่19ทธันวาคมพุทธศักราช2005 ร้อยห้าบเจ็ดศรัทธาญาติโยมลูกหลานก็คงอยากจะทราบว่าเจดีขององค์หลวงตาหลวงพ่อมาที่ไรก็เพราะว่ า, าลูกหลานของเราทุกคนก็เป็นทุกสิทธิองค์หลวงตาหลวงพ่อทราบยังไงหลวงพ่ออยากจะทราบยังไงลงูกหลานก็คงคิดอยากจะทราบเหมือนหลวงพ่อเหมือนกันไปถึงไหนแล้ว แต่เรื่องเจดีย์ของหลวงตาก็ดำเนินไปเรื่อยๆผู้ออกแบบ ก, ก็เขียนแบบโดยสม่ำเสมอแล้วก็ข่าวข่าวข่าวคืบหน้าก็หลวงพ่อสุดใจมีจดหมายไปถึงหลวงพ่อนิมนทร่วมงานวันที่30มกราคมคือเป็นวันที่หลวงตามาณาภาพ วันที่สามสิบมกราคทราบข่าวว่าทุนกระหม่อมฟ้าหญิงจะเสด็จแล้วก็พระองค์เจ้าสิริพาจุทาพรจะเสด็จจะเสด็จ <c oughs> ตอนเช้าของวันที่สามสิบเอ็ดวันที่สามสิบวันที่ลวงตา มรณภาพทั้งสองพระ อ, องค์ทราบในกิจในหนังสือดิมนที่หลวงพ่อก็คงจะมีจดหมายไปถึงครูบาอาจารย์องค์อื่นๆด้วยแต่ที่หลวงพ่อได้ทราบก็คือเมื่อพระ อ, องค์เสด็จมาแล้วก็คงจะได้รู้เรื่องรับรู้รับทราบเรื่อง เจดีขององค์หลวงตาทางคณะสัตทาญาติโยมและทางผู้วาราชการจังหวัดหรือว่าผู้เกี่ยวข้องคงจะกราบทูนให้พระองค์ได้รับรู้รับทราบว่า ก, การดำเนินเจดี JD พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเนี่ยไปถึงไหนแล้วแต่หลวงพ่อก็ทราบเพียงแทวนี้แต่ว่าเรือนี้ก็ยังรอยแบบแปลนที่นายช่าง ผู้ออกแบบสถาปนิกผู้ออกแบบเพราะว่าจะใช้เวลาแปดเดือนแต่คงหลวงพ่อลงมาข่าวก่อนนั้นเขาก็สถาปนิกก็รายงานหลวงพ่อก็ถามพยายามติดต่อประสานอยู่นะหลวงพ่อเองก็ไม่ได้ลดละาถามถ่ายอยู่แต่จะเร่งมากก็ไม่ได้เราก็พยายามถาม เ, าเหมือนกับเราใส่ใจอยู่เราไม่ใช่ปล่อยปะละเลย ท่านก็บอกว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ70เปอร์เซนต์ครับหลวงพ่อเออนี่แหละอันนี้ก็คือจะเป็นกิจการงานไหนก็ตามถ้าบริษัททางร้านหรือว่าวัดว า, าศาสน า, ห ร, า, ารหรือว่ากิจการของวัดหรือว่ากิจการครอบครัวถ้าเราจะให้คนใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ออกแบบเป็นผู้ดำเนินการจะเป็นเรื่องไรอะไรก็ตามถ้าเจ้าของ พื้นที่แลือโจของเรื่องไม่มีไม่ได้ให้ความสนใจไม่ใส่ใจไม่ติดตามผลในการที่สั่งเสียหรือว่าวาจ้างหรือว่าบอกกล่าวไปแล้วนั้นแต่นี่เจดีย์ขององตาที่ออกแบบนี่ออกแบบเพื่อศรัทธานะท่านมีเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้ออกแบบถวายไม่ได้คิดค่าจ้างรางฟันอะไรท่านทำ เพราะนั้นพวกเราลูกในฐานะลูกหลานผู้ที่อยู่พ่อที่พอ่อผู้ที่รู้เรื่องก็ควรจะใส่ใจใส่ถามเรื่องราวว่าไปถึงไหนแล้วและก็ประมาณเ0็ดสเปราก็คิดว่าคงจะทันตามเป้าหมายที่ได้กกันเก่งกันเอาไว้ในน้ดับเจี่ยดีของลงตาถึงได้เพียงแค่นี้นะครับนัาญาติโยมลูกหลาน แต่หลวงพ่อก็อุ่นใจที่ว่าทูลกระหม่อมที่เป็นประธานกับพระ อ, องค์เจ้าสิริพาจุทาพรที่เป็นลูกสาวของพระ อ, องค์ปรับกับคณะอาจารย์ของค์จะขึ้นไปในงานครอบรอบองค์องคตามรณภาพวันที่30มกราหนะ้าแปดเพื่อนัตายาติโยงลูกหลานทุกคนนะถ้มีโอกาสไปขึ้นไปร่วม รับผู้รับทราบพ่วงกันแต่วันที่2ี่เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนธันวาส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่หลวงพ่อกับถ้าไม่มีอะไรหลวงพ่อกองคงจะได้ลงมาลงมาในมาร่วมงานวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนธันวาที่จะถึงนี่แหลวะวันนี้ก็เป็นวันที่19บ้วนะ อีกไม่กี่วันข้างหน้าก็คงจะเป็นวันค็บรอบที่พวกเราร่วมกันทำบุญประจำเดือนทุกเดือนของอาทิตย์สุดท้ายของเดือนข่าวนี้ไปตกวันที่28เป็นวันอาทิตย์อันนี้ก็ขอบอกกล่าวให้คณะสตา ญ, ญาโยมลูปหลาทุกคนได้รับรู้รับทราบแต่เมื่อคืนนี้หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับ เรื่องวิธีการเดินเดินมักนหรือว่าเดินแนวปฏิบัติตามแนวแถวขององคหลวงปู่มั่นสิทธิอนุสิทธิขององคหลวงปู่มั่นสิทธญานุสิทธิของครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้รับโพวาทจากหลวงปู่มั่นเป็นผู้ได้นำท่านก็มาบอกกล่าวแนะนำให้กับพวกเราพวกเราที่รู้ พอแนวทางแล้วก็บอกกล่าวให้คณะรัตยาญาติโยมลูกหลานต่อๆกันเมื่อพวกลูกหลานได้รับรู้รับทรา บ, บ, บแล้วก็วิจูตจักวิธีการปฏิบัติพวกเราก็จะได้ถ่ายทอดให้พวกหลานพวกลูกลูกหลานของเราต่อไปเอกอย่านีน้คือทายาทเพราะฉะนั้นการแนะนําบอกกล่าวกันก็เป็นประโยชน์ในกลุ่มของเราเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล เรื่องวิธีการนั่งสมาธิไหวพระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็เดินวิปัสสนาที่หลวงพ่อพูดเมื่อคืนที่แล้วเน่รู้สึกว่าละเอียดทีท่วนพอสมควรสำหรับผู้ที่ใส่ใจสนใจหรือว่าผู้ที่นำไปประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อว่านำมานามาเอาไปใช้ได้เลยวิธีการปฏิบัติ เมื่อคืนนี้แต่วันนี้หลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับจะไม่พูดหนักเมื่อคืนเนี่ยพูดหนักนะพูดหนักเรื่องเรื่องศีล ส, สมาธิปัญญาแต่วันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องทานเมันนีกันไม่ออกนะทานศีลภาวนานเรื่องทานถ้าว่าพวกเราจะเดินเดินทางต่อไปภายภาคหน้าถ้าเราไม่มีสเสบียงเดินทางพวกเราคิดดูสิ ถ้าเราจะไปเมืองอุดรเนี่ยไม่มีเงินค่ารถอะไม่มีอาหาระ่ะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกละไม่มีรถนำพาไปละเราจะสะดวกไหมไม่สะดวกเพราะอะไรเพราะเราไม่มีทุนทรัพย์ทุนทรัพย์มาจากไหนมาจากผลแห่งการทำทานการทำทานนี่แหละเป็นทําให้พวกเรา เดินไปสู่จุดหมายปลายทางเกิดพบใดชาติใดพวกเราก็จะไม่อดไม่อยากไ ม, ไม่หวิวไม่โหยไปที่ไหนก็สะดวกสบายเพราะอันนอันนีน้สงทานที่พวกเราทําไว้ดีแล้วนั้นเกื้อกูลหนุนกันทํามาค้าขายทํามาหาเลี้ยงชีพก็สะดวกสบายเวลาไปเกิดก็ไปเลือกเกิดได้เพราะเหตุไรเพราะอันนี้สงทานพวกเรามีเราจะไปเกิดในพบ ภูมไหนเกิดเออเกิดเราตายชาตตากชาตินี้แล้วยังไม่พ้นทุกข์อ่ะเออย่างน้อยก็ไปพักสวรรค์ซะกก่อนนะวะไปพักแรมเอาที่นั่นซะกก่อนหายเหนื่อยซะก่อนค่อยลงมาเกิดเ อ, เออเราจะขึ้นไปจูพรมก็ไดนะ้เรานั่งภาวนาแต่เรายังไม่พ้นทุกข์พอกุญจนจะตายแล้วก็เข้าสมาธิเลย เ, เข้าสมาธิเข้าฌานแล้วเข้าสมาธิไม่นึกคิดไปอย่างอืง่นดูใจของตนเอง อยู่ในกรรมฐานของตัวเองไม่รับรู้รับทราบข้างนอกจิตใจของเราก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิเกิดญาณรัตนะในระดับหนึ่งเราก็ขึ้นไปสู่พรมไปสวยปีติสุขเอขะกะตายอยู่บนอู่บนพรมผมโลกอายุยืนยาวแต่ถ้าเราก่อนที่จะตายเราเ ล, ลืกถึงทานถึงศีลถึงภาวนาถึงถึงคุณงามความดีของเราได้ปฏิบัติ บิดามารดาเรื่องเราได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมเราได้ทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนาได้ถวายาข้าวนา้ำโภชนาะอาหารถวายปัจจัยสี่ในพระสงฆ์ผู้ทรงศีล เ, เราเราเลิกถึงในสงการทำบุญของพวกเราการบุญกุศลก็เข้าสู่จิตใจของพวกเราพอใจขาดอพอตายในขณะนั้น ก็ไปสู่สวรรค์หรือเราจะไปเลือกเกิดเ อ, อ้ยยังไม่ขึ้นสวรรค์แล้ววะไปสร้างบา ร, รมีต่ออีกไปหาเกิดในพบภูมิในเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละชุมชนกลุ่มไหนที่มีศีลธรรมมีจริยธรรมหรือว่าเราจะไปเกิดเป็นคนล่นําคนรวยเกิดมาชาตินิจจนวะตายไปแล้วเป็นไงขอเป็นเศรษฐีสักชาติเถอะเราก็ไปเกิดได้ไปเลือกเกิดได้เพร่อแหล่เอเดลัย พาะบุญกุศลเรามีนะแต่ถ้าว่าบุญกุศลเราไม่เคยสั่งสมเอาไว้ไม่เคยมีทานไม่เคยมีศีลไม่เคยมีภาวนาเมื่อเราตายไปแล้วกันนะเราจะนึกคิดหาคุณงามความดีเข้ามาสู่จิตเข้ามาสู่ใจเนะ่เราไม่รู้จะนึกคิดหาอะไรในเมื่อเราตายไปแล้วกันนะจิตใจว้าเวีอ้างว้างเงียบเงียบเหงาเหมือนกับน้ำเหมือนกับท่อนไม้อยู่ตกในกลาง แม่น้ําอย่างนั้นะเออไหลไปตามกระแสนุดแท้แต่มันจะพัดไปพัดพาไปทางไหนเอ่อคล้ายๆว่าเนี่ยไอ้รุมตุ่มปองอ้รุมตุ่มปองในกลางน้ําทะเลอย่างนั้นแ่ะไม่มีจุดหมายปลายทางเพราะอะไรเพราะว่าอเนกสงในการบําเพ็ญของเราไม่มีอเนกสงทานอเนกสงสิณอเนกสงภาวนาของเราไม่มีเหมือนกับเราอยู่ใน ตกอยู่ในแน้ำทะเลอย่างนั้นเพราะนั้นการบำเพ็ญทางทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องใส่ใจจะต้องบำเพญ็ญพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบางคนก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์โคดยนับถือเลื่อมใสพระองค์ท่านเพราะท่านเกิดในสกุลสูง ท่านบอกบางคนอื่นพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีรูปร่างหน้าตาเสร็จสวยงดงามมีอำนาจวาสนาคนจะรับนับถือเลื่อมใสคนในยุคสมัยนั้นเขาก็เพ่งแต่ทางนอก เ, อเพ่งแต่ทางนอกว่าที่นับถือพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าโดดเด่นหลึกเด่นดังเนี่ยด้วยเหตุอนนันใดเพราะความรู้ของพระ อ, องค์บ้างอะไรบ้างเขาคนต่างคนกว่า เ, เชิดชูไปคนละทาง แต่พระพุทธองค์บอกว่าไม่ใช่ที่เราโดดเด่นและโดดเด่นดังเนี่ยเพราะอันในสงทานอันในสงทานของเราบำเพ็ญมาในอดีตอันในสงทานของเราส่งเสริมส่งมาเรื่อยเรื่อเราทำบุญทำทานทีไรเราก็ระลึกถึงว่าเพื่อโพธิญาตขนาดเราบริจาคลูกบริจาคบักบริจาคดวงตาบริจาคลูก หญิงลูกชายที่เป็นพระเวสสันดรเราก็บอกว่าเรารักโพธิญาญยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งทั้งหมดรักกว่าลูกรักกว่าเมียรักกว่าสิ่งอื่นใดรักโพธิญาณเน่ยคือรักที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดเพราะด้นการทำบุญการเสียสละเหล่านั้นเพื่อหวังโพธิญาณอันนี้คือพระพุทธเจ้า ที่ท่านได้ตัดรู้มาว่านี่แหละอเนกสงทานของเรานี่แหละเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนให้เราได้ตัดสู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่อื่นไกลทานศีล น, นี่แหละภาวนาก็ท่านบางชาติเขาเป็นลือศรีสีพรอยู่ในป่าปอมเพญพด ต, ตําเพนตะปะชาตินั้นก็ไปสู่พรหมโลกเป็นส่วนมากถ้าเป็นเศรษฐีถ้าเป็นลือศีนะ ท่านบำเพ็ญฤาษีนะเพราะท่านได้บำเพ็ญดังกิตภาวน า, เ, า, า, นนาเกิดยาณธัตนเกิดฌานฤาษีท่านก็ไปสู่สพรมแต่ถ้าว่าเป็นเศรษฐีเป็นพ่อค้ า, าธรรมดาเนี่ยอันทำบุญทำทานรักษาศีลไหว้พระโดยมากจะไปสู่สวรรค์นี่แหละอันในสงในการสร้างปุณสร้างกุศลของพระพุทธเจ้าแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะ อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเราเกิดมาได้พบภพศาสนาการสั่งสมคุณงามความดีบุญกุศลเมื่อเราทำบีบุญทำความดีความดีก็จะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราถ้าเราทำความกรรมชั่วความชั่วก็เข้ามาสู่จิตใจของเราสรุปแล้วหลวงปู่ล่าท่านบอกว่าใจของเราเนี่ยเป็นคลังของบุญเป็นคลังของบาปถ้าเราทาความชั่วก็ไหลเข้ามาสู่คลังใจ ถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีก็ไหลเข้ามาสู่คลังใจใจรับทั้งสองอย่างเนี่ยคุณแม่ชีแก้วท่านทันย้ำอีกว่าโลกในโลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้เอหานรกใส่หัวตัวเองก็ได้หาสวัสดใส์ใจตัวเองก็ได้เอโลกในโลกหาหาได้เเราจะเอาอะไร เ, เราจะเอาดีแล้วจะเอาชั่วเราจะคิดดีแล้วจะคิดชั่ว เราจะทำดีแล้วเราจะทำชั่วเราจะพูดดีเราจะพูดชัว่วมันเลือกได้ทั้งนั้นเพราะ clothing, นั้นโลกในโลกหาได้เพราะนั้นพวกเราให้เลือกถึงจะหาได้ก็เถอะเราจะไปเลือกสิ่งที่มันชั่วนะเราควรจะคิดดีทำดีพูดดีเท่านั้นถ้าคิดชัวช่วทำชั่วพูดชั่วนั้นเราควรจะละไม่ควรจะหานะสิ่งที่มันช่วมันชั่วไม่ควรจะหาเข้ามาสู่ใจของตนในของพวกเราควรจะหา แต่คุณงามความดีเข้ามาสู่จิตเข้ามูาสู่ใจของพวกเรา <c oughs> ในครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ปรลบเรื่องทานเรื <c oughs> ่องการทําบุญทําทานคือเศรษฐีอยู่ในกรุงพรานสีมีเศรษฐีหลายเศรษฐีนะมีนางวิสาขาบางังอนาถาปิฎกเศรษฐีบางอานน์เศรษฐีบงังมีเศรษฐีหลายๆคนอยู่ในกรุงสาวัตถีแต่อ่านต่านปรลบถึงอานน์เศรษฐีเนะี่ย มีทรับถึงแปดสิโกดคำว่าโกฎคำนี้ก็คือร้อยสิบร้อยเป็นพัน 10,000 เป็นหมื่น 10,000 ืเป็นแสน10บแสนเป็นล้าน10ล้านเป็นโกดคำว่าโกฎคือ10ล้านแต่ที่ถ้ามีเงินทั้ง80ล้าน80โกฎเรือเศรษฐี แต่เป็นคนขี้แะดีทีเหนียวยางมากแต่มีมีชื่อมีลูกชายคนหนึ่ยมีลูกชายลูกชายเป็นเด็กแล้วก็สอนความรู้ให้พ่อต่อมาเนี่ยกลูกชายกับหลังเริ่มเริ่มเป็นหนุ่มพอเริ่มเป็นหนุ่มทีนี่ทั้งผู้พ่อเนี่ยก่เ อ, อเมื่อลูกชายใหญ่ขึ้นมาเนี่ยจะบริหารจัดการกับทรัพย์สมบัติอย่างไร ผู้พ่อเนี่ยก็ตั้งทีมตั้งทีมเป็นคณาจารย์สอนสอนลูกชายถึงจะชอดวิชาอาชีพพิธาวิชาธรรมะค้าขายธรรมะเรียองชีพอะไรก็ตามแต่สุดท้ายก็ต้องบอกว่าลกูกท่านเศรษฐีนมเมื่อท่านใหญ่ขึ้นมาน่ท่านจะไปใช้สลุดชุดไล่น ะ, ะให้ท่านนึกดูเจ๊ขาดน้ำ ยาหยอดตาหยอดทีละหยดยังหมดจากขวดได้ท่านคิดดูสิจอมปลวกปลวกมันตัวเล็กแต่มันขนปลวกมันขนดินขึ้นมาจากพื้นดินขนตัวละก้อนมันก็นยังพอกพูนเป็นจอมปลวกใหญ่่เปลอยปล่าได้นี่แหละการเก็บสั่งสมทรัพย์ทีละน้อยให้ท่านคิดไว้อยู่เสมอ อ, อย่าให้มันล่อยหล่อให้เก็บไว้ อย่าไปใช้ไปลุยช่วยแชร์อย่าไปใช้ต้องรักษาอันนี้คือพ่อเนี่ยพ่อของเศรษฐีหนุ่มอาโน์เศรษฐีเนี่ยสอนลูกวันละ3มเวลาแหมเปลว่ากรหลังอาหารก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเที่ยงก่อนอาหารเย็นอันนี้ก็คือมีขณาจารย์ที่ตั้งกันเอาไว้สอนสรุปแล้วก็คือสอนให้เป็นผู้ ขี้ตะหนีทีเนียวพระตัวเองเนี่ยกินอาหารก็มันกินไม่ใช่ไม่กินนะของข้าวดีๆนะไอ้กินที่ข้าวหักอที่ข้าวหักแต่ข้าวดีๆเอาไปขายข น, น้นส้มผักกุม่มใครว่ามันอร่อยส้มผักกุมเอาเนื้อมันไปขายตัวเองกินน้ำหมันฮะกินน้าส้มผักกุม้มกับข้าวจะไปกินดีอะไรมากมายกินอะไรมัน ก, กับอากเท่าเกานะั่ย เอาเงินม า, าไว้ดีกว่าลองเท้าก็เหมือนกันรองเท้าขาดขาดที่เขาใช้ไม่ได้นะที่ขายไม่ออกเลยเออกมาเศรษฐีใช้เอาของดีๆไปขายเราใช้ยังไงก็ได้ร่มก็เหมือนกันเสื้อผ้าก็เหมือนกันมีแต่ใช้ของปลอมๆขาดขา ด, ขาด เ, เศรษฐีคนนี้ประหยัดมากสรุปแล้วคนขี่ตีนขี่เนื้อประหยัดขนาดนั้นประหยามัจจุราชก็ไม่ละเว้นเหมือนกัน พยายามมือแก่ขึ้นมาพยามัดจยุราชกัเลยบิดคอตายอยีกเหมือนกันออไม่ว่าคนรวยไม่ว่าคนจนไม่ว่าสมณะนักบวชตายด้วยการทางนะั้น <c oughs> แต่ที่เสียชีส่านั้นก็ถึงจะขี้เหนียววันนั้นท่านก็ตายเหมือนกันพ่อตายไปแล้วททนีมันตรงที่ตายเนะี่ยมันมันเสมอการแต่ว่ากรรมที่กระทำเนี่ยนะมันแปลกแตกต่างกันตัวตายเนี่เสมอกันใครหมดโลบตายเหมือนกัน แต่ท่านพระพุทธเจ้าก็นิพพานเนี่ยคือตายเหมือนกันพระอรหันต์ท่านก็นิพพานก็ตายเหมือนกันผู้ดีทั้งหลายสวรรคนตท่าก็ตายเหมือนกันผู้ที่บำเพ็ญทานศีลภาวนาก็ตายเหมือนกันคนยากคนจนขนาดไหนก็ตายเหมือนกันแต่ว่าตายแต่ละคนมันแตกแต ก, กต่างกันพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพาน พระหรหันแต่สาวกเข้าสู่นิพพานที่ท่านเป็นพระหรหันถ้าเป็นพระสกทาคามีอนาคามีก็ขึ้นไปสู่พรมส่วนที่เป็นพระโสดาบันไปสู่พรมก็ได้สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งเลือกไปได้จะไปชั้นไหนแต่ว่า อ, อาโ น, นเสถีเนี่ยพอตายไปแล้วไปเกิดเป็นคนจันทานนะแบบถ้าใครไปอินเดียจะรู้ได้ว่าจันทา น, น, นคืออะไร เออคืออินเดียก็แบ่ง <c oughs> เขาแบ่งวันณะเป็นสีวนนนะ่วันณะนะวันณะกษัตริย์คือสูงแต่วันณาพราเนะี่ยคือเป็นอาจารย์เป็นวันนาหนานะึวันณะแพทย์ก็คือพวกทํามาค้าขายวันณาสูตรก็คือพวกที่ทําการทํางานเป็นลูกน้องเขาคนนี้เออเขาดูถูกอย่างมากเขาไม่เห็นแตะสิ่งของอะไรเออเหมือนกับต้องยิ่งกว่าทาสอีกแต่มที่เมืองอินเดียเขาดูถูก แต่พราหมกับข้าสัตว์เขาจะแย่งกันคล้ายๆเขาว่าแฉงกันแย่งกันดีชิงกันดีชิงกันเด่นแต่ถึงยังไงกษัตริย์ก็ไม่ให้ขึ้นมาเหนือกษัตริย์กษัตริย์ต้องคุมเอาไว้แต่พราหมนี่ก่นั่นแหะเป็นผู้ใกล้ชิดกษัตริย์นี่แหละเป็นประเทศอินเดียเป็นอย่างนั้นแต่ท่นี้อานนท์เศรษฐีเนี่ยจัดว่าเป็นพวกพราหม์พอตายแล้วไปเกิดเป็นลูกจันทาร์เนี่ย เป็น500ตระกูลคือห้าร้0ยครอบครัวมันมีอีกกลุ่มมันเป็นกลุ่มคนจันทานเป็นพวกสลัมไปอยู่ในกลุ่ ม, ก ล, มกลุ่มพวกจันทานตอนนี้ขณะที่อาโนนเศรษฐีไปเกิดในพวกจันทานพวกจันทานกลุ่มนั้นนะตะกอนเคยทํามาหากินหาขอทานหาไรายได้เลี้ยงตัวเองได้แต่พออาโนนเศรษฐีไปเกิดด้วยท่านั้นนะวิญญาณ วิญญาณขีต่ตณีทีเหนียวไปเกิดด้วยเท่านะั้นเขาจนทั้งตระกูลทั้งห้าร้อยครอบครัวเขาก็เอ๊มันไม่เคยมีมาก่อนตะกอนเราก็หาอยู่หากินก็ไม่อัดกัตคัดถึงขนาดนี้มันต้องมีคนกา ร, ร ก, กิ น, นีมาเกิดกับพวกเรานะั่นะนะเห็นไหมไอ้คนกา ร, ร ก, กิ น, นีไปเกิดที่ไหนมีแต่ความจิบหายวายปวงไปหมดทีนี้เขาก็เลยมันคงใช่แน่ๆตะกอนไม่เป็นอย่างนี้เอา้า จกฉลากกันเกิดอะไจับฉลากจับฉลากแบ่งครึ่งกันมานหนึอ้ 250, 250. อยห้าสิบออห้าถ้าใครถูก2องหเป็นการักกินีไม่รู้ว่าใครละแบ่งกัน เ, เพราะนี่สุกแบ่งกันไอ้พวกที่แบ่งกันได้พวกที่ไม่ใช่ อ, อานนท์ไปเกิดนี่ก็เขาก็ทำมาหากินปกติได้อีกลวยขึ้นมาอีกทำมาหากินเลี้ยงชีวิตได้ อย่างสบายแต่พวกนี้ในะอัตคัดอีกอย่างอับเก่าถูกไหมยิ่งอัตคัดเล่นแข้นก็อีกต่างหากพวกนี้เอาแบนเคลืนกันเองนี็ยเออคนละร้อยยี่สิบห้าเห็นไแบ่งกันจับฉลากกันเพราะที่จะไอ้กลนที่อยู่ในหมวดเออานน์เสรเีไปเกิดนี่จนอีกพวกนี้แบ่งกันนี้แบ่งไปแบ่งมาจนรู้ได้ว่า อันเนี้ยครอบครัวนี่แหละทําให้คนกาและกินีมาเกิดทําให้พวกเขายากจนเขาก็ไล่นี้ออกจากหมู่บ้านเลเ อ, อพอไปหาออกออกหมู่บ้านเขาไปคลอดเป็นลูกชาย อ, อปกไม่ปกติอีกแต่ปพวกกรรมกรรมพาไปเกิดะเออมันไม่ใช่บุญพาไปเกิดบาปพาไปเกิดเออมันตาบิดไปทางหนึ่งหู อไปทางหนึ่งจมูไปทางหนึ่งปากไปทางหนึ่งไปบิดเป็นคนที่ตทางกันตัวก็หน้าเกลียดเหมือนกับอในพระไตรปิฎกเท่ากับเหมือนกับปีศาจครบฝุน่นไงปีศาจยังมาแล้วยังไปครบฝุ่นอีกเหมือนกันแต่ไม่ดาดํากระมอมกระแมมดูแล้วมันมันทุเรศดูดูแล้วไม่เหมือนคนอแต่ทํายังไงได้กรรมกรรมจาแนกให้ไปเกิดนะทีนี้ก็พ่อแม่ก็โอ้ เลี้ยงลูกคนนี้ด้วยความทุกข์ยากลําบากจริงๆไม่หาตั้งแต่ลูกมาอยู่ในท้องแล้วเนะี่ยไปหาขอทานไม่อิม่มไม่เคยอิ่มเลยแนะ อ, อหิวตลอดไม่เคยอิ่มท้องแต่นี้จะทํายังไงได้จะทิ้งกับลูกชายตัวเองไนงะถึงจะขี่ไล่ขี่เลยียังไงกับลูกชายนะแล้วก็พยายามส่องโพเมียนพยายามเลี้ยงลูกพอเลี้ยงลูกพอเป็นขนาดเป็นอายุหกเจ็ดแปดปีพอที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้ ทั้งพ่อกับแม่ก็บอกว่าโอ้ยลูกเอ้ยพ่อกับแม่เลี้ยงเจ้าเนี่ยมีแต่ทุกข์ยากลําบากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลูกพอจะหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วเอา้าแม่จะหาไองหม้อกับเบื้องให้ใครๆบอกหม้อขอทานให้ไปไปหากินเองนะลูกนะอย่างที่พ่อกับแม่พาหาขอทานเลี้ยงชีพกันแหละให้ลูกไป แอนที่นี่กับมอบของขอทานให้แม่อะไรหนีไปกับพ่อเนี่ยกับไปหาขอทานอีกจึงได้มีอิ่มเต็มปากเต็มท้องได้แต่นี้ไอเด็กพิการเนี่ยก่อ อ, อไปขอทานก็ได้บ้างกินบ้างอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างเออตัวเออ ใ ค, ใครไปหาใครใครใครใครก็ดูแล้วก็กลัวแต่ถ้าแก่และลึกชาติได้นะแปลกทีไหนแกะและลึกชาติได้ว่าตะกอเคยเป็นเป็นเศรษฐีอยู่ในบ้านหลังนี้แหล ะ, เ, ะเป็นเป็นเศรษฐีทีนี้พอเศรเด็กหนุ่มคนนี้จะเข้าไปในบ้านก็กพวกเราปรพอเขาคงจะเผื่อผายลืมไปนะมะ ไม่คิดว่าใครจะเข้าไปไอ้เด็กหนุ่มคนนี้เด็กไอ้คนนี้เข้าไปไเด็กี่การคนนี้เข้าไปพอเข้าไปไเด็กน้อยในบ้านพเขาลอ้อตะโกนมันเขาไม่เคยเห็นเขาว่าปีศาจผีมาจากไหนก็มมนุษย์ตาบิดตาเบี้ยวเอป่าก็ไปทางหนึ่งจมูกก็ไปทางหนึ่งตัวดำมอมแมมอีกทางหนอ่เด็กทั้งหลายเขาไม่เคยเห็นเขาอ้อไห้พวกรอปลพอกลับ ล, ลากลาแขนมาก็แท่หวดมจะเข้ามาอีกนะต่อไปนี้เออ มันก็เข็ดขยะใด้แต่ไหแต่ทึงไหนมันก็นรู้ว่าบ้านนั้นี้คือบ้านของของตาแก่เนี่ยมันจำได้อยู่มันระลึกชาติผนหลังได้เมันพอจำได้เป็นหลังๆไว้อยู่แต่นี้พระพุทธเจ้าท่านก็มองเห็นอุปนิสัยเศรษฐีลูกเศรษฐีที่อานนณน์เศรษฐีสอนให้ขีตนีเขาก็เป็นเศรษฐีหนุ่มขึ้นมากำลังมั่งคั่งสมบูรณ์ แต่พระองค์บอกว่าเนี่ยเขามีอุปนิสัยเขาจะได้สําเร็จพระโสดาบันอ่นะเศรษฐีท่านนี่ถ้าเราไปแนะนําสั่งสอนเขาเขาคงจะได้เป็นพระอริยะบุคคลขึ้นมาทีนี้พระพุทธองค์ก็ไปสเสด็จไปกับพระอานนท์ไปกับพระอานนท์ไปบินไปเดินไปไปผ่านออพอไปผ่านเสร็จแล้วพระองค์ก็มองซ้ายขวาจะหาที่นั่งก็จะหาที่ที่พักที่เยือน พระอนุนก็เลยบอกไปบอก เ, อเจ้าของบ้านออกมาทีแต่นี้ก็เจ้าของบ้านกับพวกบริวารในถิ่นนั้นเ็เลยจัดที่นั่งให้พระพุธองพระองค์บอกว่าอนุน์เศรษฐีเด็กพิการคนนี้ที่เห็นเห็นเธอรู้ว่ารู้ไหมรู้ไว้รู้ไหมว่าเป็นใครอนุนบอกไม่รู้ครับมันเด็กจระจัดมายังไรก็ไม่รู้มันเปลี้ยนปูวนป น, ปนเปี้ยนอยู่แถวนี้มันจะเข้าบ้านเนี่ยเขาแทะหวนมัน ครั้งหนึ่งนั่นแหละแต่ก็าจะไม่หนีจากที่ น, นี่อ ย, อยู่ในละแวกนี้อยู่พระองค์วันนี้แหละอาอนน์เศรษฐีอันนี้แหละพ่อของเธอคอพดเท่านั้นแหละเหมือนกับพระพุทธเจ้าเอาเอตับคดหรือแท้ตีหางงูจงอางเลยว่างั้นเถออานน์ เ, รนเศรษฐีเป็นเศรษฐีมุดนี่ยโชว์คอขึ้นมาแลยที่เป็นลูกของอาอนน์เศรษฐี พระพระองค์พูดเอเอาอะไรมาเป็นหลักยืนยันทําไมถึงพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ก็เป็นการดูถูกข้าพระองค์โดยตรงโดยชัดๆเตยว่าพ่อของข้าพระองค์เนี่ยเป็นคนพิโกงพิการอย่างนี้ไม่น่าจะถูกต้องพระองค์เอาอะไรมาเป็นหลักฐาน ม, มาเป็นหลักยืนยันเพราะนั้นมันก็ไม่มีใช่ไหมล่ะจะเอาอะไรมายืนยันถือคือญานรัตนะของพระพุทธเจ้าตรงนั้นนะ่ะยืนยัน พระองค์บอกว่า เ, เศรษฐีบุตรเธอต้องปฏิบัติตามที่เราบอกนะเ อ, อเอาอย่างนี้นะเธออยากจะรู้นะออบอกว่าให้เธอเนี่ยเอาเด็กพิการคนนี้นะ่ะไปอาบน้ำชำระกายให้สะอาดเสร็จแล้วเอาอาหารอย่างดีให้กินแล้วก็เข้าไปใกล้แล้วจับไม้จับมื อ, เ, อ, อเรียกเขาว่าพ่อพ่ อ, พอคุณพ่อครับ เไปไ็นง่ายนอนหลับสบายดีไหมทานอาหารดีไหมคุณพ่อครับ อ, อต้องพูดอย่างนี้กับเขาเอต่ในเมื่อพูดกับเขาจนเขาคุ้นเชื่อจนเขาไม่หวาดผวาจนเขาไม่กลัวเราแล้วเราก็อ อ, อาบน้าําชำระกายเขาพอเขาอยู่เขาคุ้นเชื่อดีแล้วเข้าไปโอบ ก, กอดเขาไปโอบ ก, กอดเขาว่าพ่อพ่อทราบว่าพ่อเนี่ยฝัง สมบัติไว้ในห้าหลุมในบริเวณบ้านจริงไหมพ่อ ถ, ถ้าจิงถ้าจิงถ้าพ่อได้ฝังไว้นะี่มันฝังไว้ตรงไหนไปบอกลูก ส, ส, สิเดี๋ยวที่ลูกกำลังอยากจะได้สมบัติอยากมันก็ยากจนอยู่ถ้าเอาพ่อเอาให้ก็คงจะมีการคงจะล่ำรวยเพิ่มเติมขึ้นไปอีกคือเศรษฐีคนนี้นะ เ, เมื่อเขาได้ ซื้อพวกรองเท้าทองคําบ้างเพชรนินกินดาบ้างที่ซื้ อ, ซ, อซื้อมาแล้วนะแหมพอรว ย, ยจากนั้นเขาก็เพอเพอแล้วเขาก็จ้างให้คนขุดหลุมแหมพอขุดหลุมเสร็จแล้วก็กลางคืนน่ะเขาก็ไปใส่ของออกไปกับฝังฝังเขาก็ปิดคนเดียวพอปิดคนเดียวแล้วก็กรบเสร็จเรียบร้อยไอ้คนที่ขุดหลุมเขาก็ไล่ออกจากบ้านเขาจะไม่ให้อยู่ให้ไปทํางานที่อื่นแหมคล้ายๆของมาเห็นรับ ร, ร, บรู้รับทราบว่า ตรงนั้นคืออะไรจากนั้นมันก็ยากเกิดขึ้นมาเอเศรษฐีเขเนะี่ยคนคิดตจะนิทีเนี้ยนะก็คิดว่าตัวเองจะตายเนี่ยนะจิงจะบอกลูกชายใี่ะแต่นี้การณ์มันเขาจะบอกได้ยังมันใจจะขาดใจจะขาดใจจะขาดมันก็พูดไปได้เนละมันก็ปัดไปเลยทช่ไหเอีมันก็พูดไม่ทันบอกไม่ทันในชะ่ไหมเนี่ยมันก็ฝังอยู่ในดินเลยสมบัติของเศรษฐีเนะ่ยตั้งห้าหลุม มีแต่ทองคำมีแต่ของมีคุณค่าทั้งหมดที่ฝังไว้แต่พระองค์บอกว่าเนี่ยนะเศรษฐีหนุ่มให้เธ อ, เอพยายามถามพ่อของเธอนะจากนั้นเศรษฐีทททก็ปฏิบัติตามธรรมคำสอนพราที่แล้วเศรษฐีก็โกรธใช่ไหมละ่ะโกรธให้พระพุทธเจ้าว่าเอาอะไรมาเป็นหลักยืนยันที่พูดอย่างนัน้เป็นการดูถูกข่าของค์ชัดๆ ถ้าเป็นอย่างเราก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันแต่พระองค์บอกอย่าอย่าเลยนะเศรษฐีบุตรให้เธอปฏิบัติดังต่อไปนี้จากนั้นเศรษฐีก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์แนะนำบอกกล่าวจากนั้นวันหนึ่งเศรษฐีหนุ่มนะก็เข้าไปโอบ ก, กอดลูกชายที่เด็กพิการนั่นะที่เป็นพ่อมาเกิดก็ได้ถามพ่อพ่อพ่อได้ฝังที่ เงินทองไว้นะ่ะฝังสมบัติไว้นะ่ะตรงไหนพอบอกให้ผมหน่อยสิเอ้มันก็เออมันก็ขับอได้มันก็เดินเออขับเพกขับเพกไปไนี่มันก็เนี่ยตรงนี้แหละตรงหนึ่งเศรษฐีก็เอาปักเอาหลักปักไว้มันก็ไปชี้เยจุดนี้ตรงหนึ่งก็ปักหลักไว้ถึงห้าจุดพอถึงห้าจุดเศรษฐีก็เอาคนไปขุด พอขุดเจอขึ้นมาโอ้โดยได้สมบัติที่ อ, อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆเศรษฐีนี่สีโลสีโลลาบเลยถึงยอมเลยเอ่จากนั้นก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศนาให้ฟังเศรษฐีคนนั้นก็ได้สำเร็จเศรษฐีบุตรคนนั้นก็ได้สำเร็จเป็นพระราหันนี่หละถ้าสรุปแล้วก็คือ ชวนหนึ่งก็คือเศรษฐีไม่เคยทำบุญขี่ตนีทีเหนียวอันนี้สงแห่งการไม่ทําบุญเป็นอย่างไรอันนี้คือหลักธรรมคำสอนนะนะถึงแล้วก็ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกใช่ไหมถ้าเกิดถ้าถาตายแล้วสูญพระพุทธเจ้าจะจะเดินไปถึงบ้านประตูบ้านของอานน์เศรษฐีขี่ตนีได้อย่างไรนี่แหละ อันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนานมาในพระไตรปิฎกนะคณะสทาญาทโยมลูกหลานในมาในพระธรรมพระธรร ม, มะปปัตตกถาที่หลวงพ่อได้นํามาสาธุก ม, มากล่าวให้กับพวกเราคณะสทาญาทโยมลูกหลานได้ฟังเพราะฉะนั้นบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ตายแล้วเกิดในหลักของ พ, พุทธศาสนาพระองค์ยืนยันยืนยันและก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราสายหลวงปู่มั่น ไม่ว่าพระเทเรซ อ, องคใดยองคงหลวงตาก็เหมือนกันท่านยืนยันร้อยเปอร์เ็อย่างลูกข้อเนี่กระเตลลูกพ่อเนี่เชื่อร้อยเปอร์เซเหมือนกันเกินร้อยตายแล้วเกิดบาปปูนคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายก็นัตถา ญ, ญาิโยมลูกหลานทุกคนนะัฟังเอาไว้ถึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ให้ฟังเอาไว้ถ้าพวกเราไม่เชื่อให้ปฏิบัติให้นั่งภาวนา อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนั่งคัดสมาธินั่งให้นานกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายเจออหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรหรือหายใจเข้านับหนึ่งสองสาหายใจเราเป็นเลขขี่หายใจออกเป็นเลขคู่หายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออกสีจนถึงร้อยใจของเราไม่เผลอไปที่ไหนต่อไปจิตรวมสงบเมื่อจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้ว จะเกิดความรู้ขึ้นมาเท่นี่มันจะเห็นได้ชัดเลยกายกับใจใจกับกายเป็นคนละอ่านกันรู้ได้เลยว่าร่างกายเนี่ยแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟแน่ๆไม่เป็นอย่างอืนแต่ตัวนามะธรรมคือจิตใจนะ่ะจะออกจากร่างอจะออกจากร่างไปปฏิสนที่ไปเกิดในภพภูมิต่างให่ใจดวงนั้นเนะ่ยได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้ไหมถ้าไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้นะ่ะนั่นแหละเท่นี่ เ, เหมือนกับเศรษฐีอานอนท์เศรษฐีนั่นแ่ะปากบิดปากเบี้ยวตาเลเป็นคนพิการไปนี่แหละดูร่างกายกเหมือนอะไรปีศาจครกุกฝุ่นท่านพูดไว้ในพระไตรปิฎกนะฟังฟังดูแล้วก็หน้าทุเลูุหลังเหมือนกันนี่แหละขอให้พวกเราทุกท่านได้เกิดมาได้พปะพุทธศาสนา ได้พบพระธรรมคาสอนของพระพระุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้พวกเราศึกษาให้ฟังเอาไว้ออแล้วก็ให้ปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพวกเราจะไม่เห็นคุณธรรมและไม่เห็นออบุญกุศลในจิตในใจนจะไปที่ไหนถ้าเราปฏิบัติถูกถูกท่องถูกต้องถูกทางแล้วนั่นแหละพวกเราจะเห็น ความสุขความเจริญเข้ามาสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรานะวันนี้หลวงพ่อได้บอกกล่าวแนะนําเรื่องอนิสงส์แห่งการทําทานตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกยกนิทานด้วยยกเรื่องเรามาในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าพระอานนท์ได้ไปโปรดเศรษฐีหนุ่มแล้วก็อย่างที่ลูกพ่อได้กล่าวให้ฟังเป็นแนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลาย เอาต่อนี้ไปเปิด MT3 ทดลองดูนะเอ่อเป็นยังไงเปิดได้แล้วนะที่นี่นะเอานั่งสมาธิต่อนอี่ยศรัทธายากโยมลุกลานนะ